ขอากาบครูบาอาจารย์ทุกรูปกระผมพระเทราเตระวันนี้หลวงปูล่ลีไม่ได้มาฉันจังหันสองวันแล้วหลวงปู่พี่ชายใหญ่ของเรารู้สึกว่าท่านจะไม่สบายชะมั่งเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปกราบท่านโดยมากจะเป็นวัดเมื่อวานนี่หลวงพ่ออินแต่ตอนไม่ได้ทำงานตลอดเลยมันวิววิวยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ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 นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา30วันดึงหนึ่งเดือน31 30วันแล้วก็วันที่สชันจังหันเสร็จพวกเราสันจังหันเสร็จก็คงจะได้นำสรีระขององค์หลวงตาบขึ้นไปบรรจเุเมนที่พร้อมตีจะพระราชทธธานเพลิงศพ พระราชทานเพลิงศรีระขององค์หลวงตาคงจะเป็นวันที่หตามกําหนดไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ห้าวันที่สจะเคลื่อนย้ายศรีระขององค์หลวงตาเมื่อวานวันที่27่สิบกุมภาพันธุสกุลสพันห้าราสิบสีตรงกับวันอาทิตย์ทุนกระหม่อมฟ้าหญิงจุราพรฟ้าหญิงเล็กใน ร่วมสวดมนต์ตั้งแต่เมื่อวานวันเสาร์เมื่อวานาวันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี่ก็อีกกันมาร่วมวันเสาร์ะไรวันอาทิตย์ร่วมกันไหว้พระทำวัดเย็นกับคณะสงฆ์และคณะสัายาธาญญิญโจากนั้นก็ทอดผ้าป่าบางังสกุลถวายองคหลวงต า, อาสองวันอสองวันสองคืนท่านมาพักบนเสาร์อาทิตย์วันนี้ท่านเสด็จกลับแล้วกลับกรุงเทพแล้ว แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าพระองค์คงจะเด็จกลับจะด็จมาอีกเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายขององค์หลวงตาแล้วจะพระาธานเพลิงจรีละพ่อท่านท่านพ่อท่านพ่อของท่านนะคือองค์หลวงตาของพวกเราเมื่อวานมีพี่น้องประชาชนมาเยอะถนนแน่นไปหมดเมื่อวันงานจริงคณะทํางานของพวกเราทุกหมู่ทุกเรานับแต่ท่าน ผู้วารชการจังหวัดรองแม่ทัพภาคแล้วก็ผู้การจังหวัดทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหลนะ่าควรเตรียมเมื่อวานเห็นและเห็นได้ชัดแล้วเมื่อวานนะี่พี่น้องประชาชนเข้ามาเพียงกระจริบเดียวเท่านั้นเองถ้านับเป็นล้านแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เพียงกระจริบเดียวเมื่อวานนี้รู้สึกว่าถนนแน่นไปหมดขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนผู้รับผิดชอบร่วมกันให้ช่วยกันคิดนะ เออความกับคณะสงฆ์ทุกหมู่ทุกเหล่านั่น่ะพี่น้องประชาชนเมื่อวานเห็นได้ชัดคนมากเออแต่วันนั้นจะมากขนาดไหนและก็ทางว่าพวกเราเตรียมพร้อมพร้อมที่จะรับมือกับงานทุกคนก็คงจะไม่มีปัญหาถึงยังไงยังไงก็คงจะขับเคลื่อนไปได้ถ้าว่ามีความพร้อมเพียงสามคีวางแผนงานดีๆนะผ้าป่าเจ้าอาวาสวันที่สามกด้นัดกันไว้ทุกเจ้าอาวาส เป็นสิทยิ์เย้าในสิทธิ์ขององค์หลวงตาหรือท่านผู้ที่รักเคารพในองค์หลวงตาขออนามาในตน์ทอดผ้าป่าทองคำํำตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาวันที่สามวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2554ณบนศาลาที่สลีละขององค์หลวงตาก็ยังอยู่ที่ศาลาคณะสงฆ์ทั้งหลายก็จะได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าทองคํา เพื่อเข้าคลังหลวงตามพิธีกรรมขององค์หลูกตาข อ, ข อ, ขอการาบอัลัตนานิมนต์ทุกๆทุกๆวัดทุกๆองค์พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยนะและกับงานทุกอย่างงานทุกอย่างที่พวกเราได้ดําเนินมาจากเมนเมนที่เป็นหัวใจหลักที่พวกเราได้ดําเนินก็เสร็จไปเกสเร์เซนต์ก็พร้อมที่จะทดลองกรดที่จะกางกั้นข้างบน พระเม น, มนขององค์หลวงตาก็คงจะเริ่มวันที่สามวันที่สองที่สเนี่ยเริ่มละคงจะเริ่มปรากฏข้างบนถ้าจากนั้นก็คงจะไม่มีอะไรคงราบรื่นแต่เป็นห่วงเรื่องงานอย่างที่ว่านั้นนะขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าช่วยๆกันและก็ส่วนพระสงฆ์ที่ที่จะบวชที่จะปุปสมบททั้งหมดมีอยู่200 254ยอดจุทติ240 200บวก5เป็นสมันเนนะเรวมแล้วเป็น245บวกที่วัดโภทิสมพรพระ51เนน2รวมแล้วเป็น53วัดสุดท้าวาด44รูปแล้วก็วัดป่านาแองญาณสัมปันโน45รูปวัดป่ากกสทร56รูป วัดป่าศรัทธาถวาย44รูปรวมแล้วเป็นพระทั้งหมดแต่พระ240รูปที่จะบวชในงานองค์ลงตาที่งานพระราชทานเพลิงวันที่4แต่จะบวชตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ส่วนในสมณีนมีอยู่สมณีน5รูปนะและก็ขอแจ้งยอดออพี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบว่าจตุปัจจัย ที่พี่น้องประชาชนมาร่วมทอดผ้าป่าหรือว่าจ้อนตู้อ่าอันนี้หลวงพ่อขอแจ้งให้ทราบณวันนี้นะวันที่20วันที่28แต่เมื่อวานเนี่ยยังไม่แจ้งยอดแต่แจ้งยอดวันที่26่มืออันนี้เขาก็รายงานวันที่27วันนี้นะคือยอดวันก่อนจะรับทราบวันนี้ยอดเมื่อวานนี้จะรับทราบวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันวันนี้รับแจ้งยอด ทั้งหมดของวันที่26เป็นเงินทั้งหมด217ล้าน6 20,5675 บาท25สตัง์แล้วก็ทองคำเออทองคำานี่ยยังไม่บอกไม่ชัดเจนนี่แหละอันนี้ก็คือยอด จตจพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าและทองคำเนี่ยทองบ่ทองคำบ่อยทองคาจำนวน42กิโลกรัม55บาท32สตังน์นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือพี่น้องประชาชนที่หลังไหลกันเข้ามาคณะกรรมการก็ได้ตรวจรับจตุปัจัยพร้อมกับธนาคารคำว่าแตกไหลรั่วซึมนั้น พวกคณะกรรมการทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคณะศสัตยาติยมที่เคยดําเนินการเกี่ยวกับโครงการช่วยชาติกครคิดว่าทําไปได้ดีมากตามต า, ตาสายตาของหลวงพ่อที่เข้ามาแต่หลวงข้านั้นหลวงพ่อไม่ได้เขามายุ่งเกี่ยวแต่เห็นพี่น้องประชาชนคณะสัตยาติโยมได้ร่วมกันทำหลวงพ่อก็สบายใจเพราะเคยทํางานผ่านงานใหญ่มาแล้ว หลวงพ่อก็มอบความไว้วางใจคณะสงฆ์ก็มอบ ม, มอบความไว้วางใจกับคณะผู้ดําเนินการทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะและก็พร้อมกันก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่เขามาร่วมทําบุญกับองค์หลวงตาสถานที่แห่งนี้สถานที่สถานที่ศักศิ์สิษย์พูดอย่งงางนั้นได้นะเพราะว่าเป็นสถานที่องค์หลวงตาบําเพ็ญคุณงามความดีให้แก่พี่น้องประชาชน สงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเพราะนั้นผู้ใดก็ตามท่านผู้ใดก็ตา ม, าตามลูกหลานผู้ใดก็ตามนะเข้ามานะัดสถานที่นี้ให้จิตใจเป็นกุศลอย่าเป็นอกุศลถ้าเราคิดไม่ดีมันจะติดใจของเราทิดติดพบติดชาติสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่มากอบโกยไม่ใช่ที่สถานที่จะมาเสาะแสวงหาลาบลาภายนอกอยู่นอกวัดเรามีเยอะแยะที่จะต้องเสาะแสวงหา แต่จุดนี้เรามาเพื่อเสียสละมาร่วมกันสร้างบําเพ็ญ บ, บุญกุศลสรุปแล้วก็คือมาขุดทองนะมาขุดทองออมาขุดทองในวัดของหลวงตาคือมาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเไม่ใช่ว่าจะเอาสิ่งที่ไม่ไ ม, ไ, มไม่ดีเอาไปไม่ได้นะไม่มันติดพบติดชาติลึกนะเพราะเหตุไเพราะหลวงตานี่ เป็นสถานที่ท่านบำเพ็ญคุณงามความดีข อ, อนั้นขอฝากไว้กับทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยนะพระสงฆ์ก็เถอะนะแต่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีพระสงฆ์ก็ตกนรกง่ายเหมือนกันนะหลวงพ่อยังได้ยินคําพังเพยของพี่น้องชาวเชียงใหม่หลวงเขาบอกว่าพระสงฆ์นี่นะถ้าหากว่าทําดีนะมือหนึ่งเกาะเกาะประตูสวรรค์แต่ตีนข้างหนึ่งเลยเหยียบปากนรกก่านะ แต่พอหลุดมือจากประตูสวรรค์น่ะตกนรกหายทุนลงนรกเลยนะเออแต่ถ้าว่าทําดีนะเหยียบปากนรกยนันปั๊บเข้าประตูสวรรค์เลยเหมือนกับเราขึ้นรถบัดอย่างนั้นนะ่ะนะเออเหมือนกับเราขึ้นรถบัดเนี่ยมื่อหนึ่งเกาะเกาะประตูรถวัสอย่างนั้นเ่ะเออมื่อหนึ่ง ก, กร ะ, ตกะเตาะเหยียบปากนรกเอาไว้อย่าง น, นั้นเถอะนี่แหละถ้าทําไม่ถูกมันลงเร็วถึงขนาดนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นอยู่ ด้วยปัจใจสี่ของคารวาตญาติโยมเขาด้วยจบแล้วจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก่อ น, อนจะมาใส่บาตรครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งพร้อมทั้งขอบทั้งครัวทั้งลูกสามีภรรยาทําบุญทำทานเตรียมอาหารเพื่อจะใส่พระสงฆ์ในเมื่อพระสงฆ์บวชเข้ามาแล้วทําตัวไม่ดีเกเรคิดไปออกนอกลู่นอกทางอันนั้นตกนรกในง่ายๆน ะ, อ, ะอันนี้คําพังเพยของเชียงใหม่หลวงพ่อเห็นด้วยนะเพราะว่า เราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น เ, ออเราควรจะทำดีพระพุทธเจ้าท่านว่าออดูก่อนประสงค์ทั้งหลายท่านว่าพวกท่านทั้งหลายทานอาหารของชาวบ้านแล้วพิจารณาอนิจยังทุกขังอนัตตาพิจารณาหเห็นความเกิดความเสื่อมเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มค่าอาหารเขาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เคยคิดเลย เรากินเข้าไปก็เป็นนี้เป็นศีลทุกวีทุกวันเป็นบาปเป็นกรรมนะพระเนรลูกหลานเนะ้สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเน้อแต่ทำในสิ่งที่ดีหลวงพ่อก็เป็นห่วงพระทั้งหมดเดี๋ยวนี้นะขณะนี้พระที่วัดป่าบ้านตาดสองพรูปนะขณะนี้ที่มาช่วยงานที่มาร่วมงาน 2,086 รูปที่ที่พักค้างคืนนะที่รายงานมาให้หลวงพ่อในรับรู้รับทราบพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชน ทุกหมู่ทุกเหล่าให้ช่วยๆกันดูนะพระสงฆ์ถ้าพวกเราพี่น้องประชาชนไม่ช่วยกันทำบุญในคราวนี้จะเอาข่าวไหนเหงือนกันแต่พระสงฆ์มามากถึงขนาดนี้พวกเราย่อนทำบุญลงไปแล้วเพื่อเกื้อกูลหนุนพระพุทธศาสนาพระสงฆ์มากขนาดนี้พวกเราจะไปหาทำที่ไหนตั้งสองพันแปดแปดแปดสิบหกรูปผู้ท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็มี ผู้เกเลเกตุงเกือธรรมดาละ่ะ <c oughs> เหมือนกับลูกของเรานะ่ยสามสี่ห้าหกคนเนะี่ะจะให้ดีทุกคนคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะอ <c oughs> ขนาดห้าหกคนก็ยังเป็นไปอันนี้ต้องสองพนะันกวองค์น่ยจะให้ดีทุกองค์ก็คงจะหาได้ยากเหมือนกันห <c oughs> ลวงพ่อว่านะแต่ถึงยังไงท่านได้บวชมาในพุทธศาสนาแต่ท่านก็คงจะตั้ง อ, อกตั้งใจอีกสักวันหนึ่งนะแต่วันหนึ่งท่านอาจจะเกเรบ้างแต่อีกสักวันหนึ่งท่านอาจจะกลับเป็นคนดีนะ พอท่านได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตาหลวงตาเทศธรรมะให้ทุกวี่ทุกวันท่านคงจะได้รับการศึกษาจากนั้นท่านก็คงจะเป็นพระที่ดีเนนที่ดีเป็นกำลังในพระพุทธศาสนาก็ได้น ะ, ะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร